มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเราเรียกร่างกายส่วนนี้ว่ารูปปัะขันอีกส่วนหนึ่งของชีวิตของเรานี่คือจิตใจนี่ก็มีองค์ประกอบหรือมีอาการอยู่สี่อาการด้วยกันคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ องค์ประกอบ4องค์นี้เราเรียกว่านามขันเมื่อรวมกับรูปประขันก็เราก็จะเรียกว่าขันห้าขันห้านี้ก็คือส่วนประกอบองค์ประกอบของชีวิตของพวกเราองค์ประกอบสองส่วนนี้คือรูปประขันกับนามะขัน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 อยากลิ้มรถก็ต้องมีลิ้นอยากดมกลิ่นก็ต้องมีจมูกอยากสัมผัสกับพุทัพระงการก็ต้องมีร่างกายการเกิดของชีวิตจึงเกิดขึ้นเพราะความอยากร่างกายนี้อาการสามสิบสองนี้ไม่มีตัวไม่มีตน เป็นอาการทำมาจากดินน้ำลมไฟดินน้ำลมไฟที่มาทำให้มีผมขนและฟันนี่ก็คืออาหารอาหารที่แม่รับประทานเข้าไปในท้องแล้วก็ส่งไปหล่อเลี้ยงทารกที่อยู่ในท้อง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 คือธาตุของพ่อและของแม่มาผสมกันก่อร่างสร้างตัวขึ้นมามีอาการสาปรากฏขึ้นมาตามลําดับเมื่อเติบใหญ่ก็คลอดออกมาจากท้องแม่แล้วก็ได้รับการทำนุบํารุงด้วยอาหารด้วยน้ําด้วยอากาศด้วยความร้อนก็ทําให้ร่างกายเติบใหญ่เจริญเติบโตขึ้นไป จนถึงจุดสูงสุดคือที่เรียกว่าจุดของวัยกลางคนอายุของคนเราถ้าแปดสิบพอถึงอายุสี่สิบนี้ก็ถือว่าขึ้นถึงจุดสูงสุดของความเจริญของร่างกายหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มนับถอยหลังจะเสื่อมลงไปเท่เาไรเท่าเท่าน้อยอายุสี่สิบเอ็ดก็จะเสื่อมลงไปสี่สิบสองก็เสื่อมลงไป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 ชนิดด้วยกันที่ทําให้ไปเกิดใหม่เรียกว่าการมตัญหาความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสผลพภะอยากเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลพภะก็ต้องมีตาหูจมูกลินกายและการอยากมีอยากเป็นอยากได้นั่นอยากได้นี้ก็ต้องมีร่างกายอยากได้ลาบยศสระเสริญอยากได้ความสุขทางตาหูจมูกลินกาย ก็ต้องมีร่างกายเรียกว่าภาวะตันหาและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นเรียกว่าวิภาวะตันหาคืออยากอยากให้สิ่งที่ไม่ชอบนี่หายไปเช่อยากให้ความแก่หายไปอยากให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยหายไปอยากให้ความตายหายไป อันนี้ก็เรียกว่าวิภาวะตัณหาถ้ามีตัณหาทั้งสามชนิดอยู่ในใจมันก็จะเป็นตัวที่จะผลักดนันจิตใจให้ไปเกิดใหม่ไปหาร่างกายอันใหม่เช่นวิภาวะตัณหาเกิดขึ้นในตอนไหนก็ตอนที่เจ็บไข้ได้ป่วยเช่นร่างกายเป็นโรคภยัยไข้เจ็บไข้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 พระ อ, องค์ก็เลยศึกษาหาวิธีกาจัดความอยากทั้งสามประการนี้ก็ได้ทรงค้นพบมัพที่เรียกว่าทางหรือเครื่องมือที่จะหยุดความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจนี้ให้หมดไปได้พระ อ, องค์ก็เลยสามารถหยุดความอยากทำลายความอยากที่มีอยู่ในพระทัยของพระ อ, องค์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 ก็จะทำให้เห็นคุณและเห็นโทษของการหยุดความอยากกับการมีความอยากเห็นคุณของการหยุดความอยากเพราะเวลาไม่มีความอยากแล้วแสงจะสบายสุขหนอสุขหนอแต่เวลาเกิดความอยากขึ้นมานี่เห็นโทษทันทีว่ามันทุกข์นอทุกข์นอเพราะเวลาเกิดความอยากแล้วนี่จะอยู่เฉยๆไม่ได้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 ก็อยู่ไม่ได้อยู่เฉยเฉยไม่ได้ยิ่งถ้ามีเงินอยู่ในกระเป๋าแล้วยิ่งอยู่ไม่ได้ใหญ่ถ้าไม่มีเงิน <c oughs> ก็บางทีก็อาจจะต้องไปหาวิธีหาเงินมาเพื่อที่จะได้เอาไปซื้อสิ่งที่อยากได้มาเนี่ยผู้ที่มีปัญญาผู้ที่เห็นใจเ <c oughs> ห็นโทษและเห็นคุณของความอยากและความไม่อยาก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 คิดถึงโซราก็อยากจะเดือยวโซลาคิดถึงภาพยนตร์ก็อยากจะดูภาพยนตร์ดังั้นเวลาที่เราหยุดความคิดได้จิตอยู่ในความสงบว่างจากความคิดปรุงแต่งเวลานั้นความอยากก็หายไปพอความอยากหายไปความสุขก็โผล่ขึ้นมาทาให้เห็นว่าการไม่มีความอยากนี้เป็นความสุขอย่างยิ่งเพียงแต่ว่าความ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 กระโลกศีษะกระดูกคว้กับกระโหลกศีรษะนี่เราจะชะ ง, งัก ท, ทันทีเพราะเราจะรู้ว่ามันเป็นยาพิษถ้าดึ่มเข้าไปแล้วจะต้องทุกข์ฉันใดของทุกอย่างในโลกนี้ควรจะมีเครื่องหมายนี้ติดไว้แต่ไม่มีใครก็ททำกันก็เลยไปหลงคิดว่าเป็นความสุขกัน เครื่องดิมต่างๆจึ ง, างขายดิบขายดีกันแล้วก็ทำให้คนดิ่มนี้ติดกันทุกกันเวลาที่ไม่มีเดื่มนี่ต้องพิจารณาให้เห็นว่ามันทุกเพราะว่าเวลาที่ไม่มีดื่มมันจะทุกเวลาได้เดื่มมันสุขแต่เวลามันไม่ได้เดื่มมันจะทุกข์ขึ้นมาด้านในไม่ช้าก็เร็วก็จะต้องไม่ได้ดื่มเพราะอะไร เพราะหนึ่งร่างกายก็อาจจะหมดความสามารถที่จะดืม่มหรือดื่มไปแล้วจะต้องเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาเช่นผู้ที่ติดโรคสุราเรื้อรังดื่มสุรามากเกินไปจนกระทั่งร่างกายไม่สามารถรับพิษของสุระสุราได้ต่อไปถ้าดื่มเข้าไปอีกก็จะต้องทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาก็ต้องหยุดดืม่มแต่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 ตามความอยากของเราความอยากของเรามันก็จะอ่อนกำลงกำกำลังลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดมันก็จะหมดกําลังไปแล้วเราก็จะไม่ต้องดื่มสุราไม่ต้องดื่มกาแฟอีกต่อไปเพราะว่าความอยากดื่มมันหายไปที่เราเดื่มตอนนี้ดื่มเพราะความอยากเวลาเราไม่อยากเราไม่ดื่มกันใช่ไหมแต่เวลาเราอยากเราก็ต้องดืม่ม แล้วถ้าเราอยากเราไม่ได้ดื่มเรารู้สึกยังไงเช่นกาแฟหมดหรือว่าสุราหมดหรือว่าร่างกายไม่สบายดื่มไม่ได้แต่ใจยังอยากดื่มอยู่ก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาพระพุทธเจ้าก็ได้ค้นพบวิธีที่จะทำให้เราไม่ต้องทุกข์กับความอยากก็คืออย่าปล่อยให้ใจคิดไปในทางความอยากดื่ม หรือให้คิดเห็นพิษของสิ่งที่เราไปอยากดื่มว่ามันเป็นพิษแก่จิตใจของเราและร่างกายของเราของทุกอย่างที่เราเอาเข้าไปในร่างกายของเรานี้ถ้ามันมากเกินไปนี้มันเป็นอันตรายทั้งนั้นแม้แต่น้าเปล่าเปล่านี้ถ้าลองรับประทานมากขก้นไปเดือดท้องก็ต้องแตกมันต้องของที่มันไม่เป็นพิษก็ยังต้องมีมีประมาณไม่มากเกินไป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 หรือไม่ไปเกิดใหม่ถ้ามาพบกับพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธทตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนก็คือให้มาเจริญสติเพื่อมาหยุดความคิดความอยากต่างๆแล้วก็เจริญปัญญาให้เห็นโทษของความอยากก็สามารถที่จะหยุดการกระทาตามความอยากได้เมื่อหยุดการกระทาตามความอยากได้เวลาตายไปก็ไปพบกับพระพุทธเจ้า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 ก็จะทำตามความอยากต่อไปเหมือนกับที่กำลังทำกันอยู่ทุกวันนี้ทั้งทั้งที่ได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วทั้งทั้งที่รู้แล้วว่าการทาตามความอยากนี้จะต้องนำมาสู่การเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปแต่ก็หยุดไม่ได้เพราะไม่มีเครื่องมือเพราะไม่สร้างเครื่องมือขึ้นมาเครื่องมือนี้ต้องสร้างกันเองเหมือนกับเวลายางแตกนี้เราจะทำยังไง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 พระพุทธเจ้าถึงสอนให้พวกเราสร้างเครื่องมือขึ้นมาสร้างสมถภาวนาสร้างวิปัสสนาภาวนาหรือสร้างสติสมาธิปัญญานี่คือองค์ประกอบของสมถะและวิปัสสนาภาวนาจะได้สมถภาวนาหรือได้วิปัสสนาภาวนาก็ต้องมีสติเป็นผู้นําถ้าสติหยุดความคิดได้ก็เป็นสมถภาวนาถ้าสติ หนึ่งใจให้ไปคิดให้เห็นโทษของความอยากก็จะเป็นวิปัสนาภาวนาขึ้นมานี่ต้องมีเครื่องมือตอนนี้พวกเรารู้แล้วว่าความอยากเป็นโทษแลาดูแล้วว่าเครื่องมือที่จะหยุดความอยากคือการบาเพ็ญจิตภาวนาสมถภาวนาและวิปัสนาภาวนา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 แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปอยู่เรื่อยๆถ้าชาตินี้ผ่านไปโอกาสหน้าที่มากับมาเกิดเป็นมนุษย์ไปนี้ก็ไม่รู้ว่าจะมีพระพุทธศาสนามาสอนมาบอกเรา ấy, อยู่หรือไม่อาจจะมีก็ได้อาจจะไม่มีก็ได้แต่โอกาสที่จะมีนั้นมีน้อยมากเพราะอายุของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้ท่านก็ทรงพยากรณ์ไว้ ว่าจะอยู่ได้ประมาณ 5,000 ปีนี่ก็อยู่มาแล้ว 2,000 กว่า 2,500 กว่าปีก็จะหมดไปที่เราได้เทียนน้อยถ้าเรากลับมาเกิดหลังจาก 5,000 ปีแต่แล้วผ่านไปแล้วเพราะเราอาจจะต้องไปใช้กรรมในบายอาจจะต้องไปรับผลบุญในสวรรค์ว่าจะกลับมาก็เวลา 5,000 ปีก็อาจจะผ่านไป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 ต่อไปมันก็วิ่งได้เองมาราธอนฉะนั้นการที่จะบําเพ็ญเพื่อให้ไปถึงมรรคผลนี่ผ่านได้ก็เกิดจากการทําวนลาเล็กเวลาน้อยไปก่อนนั่งสมาธิเวลาสิบห้านะทียี่สิบนาทีไปก่อนจะดันสติไปอยู่เรื่อยๆให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้พุทโธไปเรื่อยๆเติ่นขึ้นมาลืมตาก็พุทโธพุทโธไปทําไปเรื่อยๆแล้วมันจะเพิ่มกําลังขึ้นไปเอง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 ขออนุโมทนาให้พรต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาท่านผู้ใดมีคำถามอยากจะถามก็ขอความกรุณาถามในช่วงนี้ได้เลยหลังจากที่เลากประชมแล้วเปิดไมโครโฟนแล้วก็จะไม่ขอตอบเพราะไม่งั้นมันจะยืดเยือ้อแล้วจะไม่มีวันสิ้นสุด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 ต่อไปเป็นคำถามจากทางบ้านค่ะคำถามแรกจากคุณแมรี่มักสี่ผลสี่นิพานหนึ่งแปลว่าอะไรคะมักมีแปดเลยสับสนกับมักสี่และผลสี่คืออะไรได้ยินประโยคนี้มาแต่แรกนึกว่าเรียนไปเดี๋ยวเข้าใจเองแต่ยังไม่รู้จนป่านนี้ขอพระอาจารย์ลบคุณอธิบายด้วยค่ะคือมักนีก้ครับ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 มีปริญญาตรีโทเอกและเหนือเอกขึ้นไปเป็นสี่ขั้นด้วยกันในแต่ละขั้นก็ต้องมีการเรียนการทำทาการบ้านทำข้อสอบมาร์กนี่คือการเรียนการทำข้อสอบเช่นขั้นแรกเราเรียกว่าโสดาปฏิมักกับโสดาปฏิผลขั้นของพระโสดาบัน การที่จะบรรลุขั้นโสดาบันได้ก็ต้องเอจเริญมักมักที่จ ะ, จะเจริญ น, นี้ก็คือมักแปดนี้เองแต่คำถามหรือปัญหาหรือข้อสอบนี้ของพระโสดาบันอยู่ที่สักกายทิฏฐิคือความเห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราเห็นว่าขันห้าชีวิตของเรานี่เป็นตัวเราของเรา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 อย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำข้อสอบเรียกว่ามักเรียนด้วยศึกษาไปด้วยแล้วก็พอถึงเวลาต้องทำข้อสอบก็ทำถ้าทำผ่านก็จะได้รับปริญญาก็คือได้รับผลผลก็คือโสดาปฏิผลก็คือได้บรรลุปเป็นพระโสดาบันพระโสดาบันนี้ก็จะมีดางวันก็คือจะไม่ต้องกลับ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 ให้เห็นร่างกายว่าไม่สวยไม่งามสำหรับพระสกิดาคามีนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องทำลายการมารมณ์ให้ไปหมดไปถ้าทำให้มันเบาบางลงไปคือจาก 100, ร้อยเหลือสักห้าสิบอย่างนี้ก็ถือว่าได้เป็นพระสกิดาคามีพระโสดาบันนี้ยังมีการมารมร้อยเปอร์เซ็นตแต่พอได้เริ่มพิจารณาอสุภะ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 พิจารณาอสุภะอยู่เรื่อยๆนี่เรียกว่าเป็นการเจริญมากพอทำได้ถึงประมาณห้าสิบปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าได้บรรลุขั้นที่สองได้เป็นพระสกิราาคามีคือมีความอยากในการน้อยลงไปเบาบางลงไปแต่ยังไม่หมดไปก็ต้องทำต่อไปก็เรียกว่าเข้าสู่ขั้นที่สามขั้นที่สามนี้ต้องสามารถพิจารณาอสุภะได้ตลอดเวลา หรือทุกเวลาที่เกิดการมารมขึ้นมาสามารถเอาอสุภะนี้มาดับได้ทันทีไม่จำเป็นจะต้องไประบายการมารมด้วยการไปหลับนอนกับผู้อื่นเวลาเกิดการมารมขึ้นมาก็นึกถึงอสุภะทันทีพอเห็นภาพอสุภะการมารมก็จะดับไปทันทีนี่ก็คือขั้นที่สามเรียกว่าขั้นอนาคามีมากอนาคามีผล ถ้าสามารถดับการวรมลมด้วยอสุภะได้อย่างราบคาบอย่างสิ้นเชิงก็ได้บรรลุเป็นพระอนาคามีนี่ก็คือขั้นที่สามมรรคผลขั้นที่สามมรรคผลขั้นที่สี่ก็คือขั้นพระอาหารหันต์ขั้นพระอาหารหันต์นี้ก็จะต้องมากําจัดอวิชากําจัดมานะตัวสำคัญ ถ้าสามารถกาจัดมานะก็คือการถือตัวยังถือว่าตนเองสูงกว่าคนนั้นเท่าคนนี้ต่ำกว่าคนนั้นอยู่เวลาที่มีใครเขามาดูถูกดูแคลนก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาก็ต้องทำลายตัวมานะนี้ว่าไม่มีไม่มีไม่มีใครสูงกว่าใครไม่มีใครต่ำกว่าใครเท่ากันหมดสำนับจิตนี้มันไม่มีสูงไม่มีต่า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 ผ, <ITA> ผู้ที่ไม่มีมานะนี down, ้ท่านทําได้ทั้งสองแบบนั่งข้างหน้าก็ได้นั่งข้างหลังก็ได้แต่ผู้ที่ยังมีมานะอยู่นี้ต้องนั่งตรงที่ของตนเท่านั้นทายม่นตะเห็นชัดเจนไหมแสดงว่ายังไม่บรรลุผู้ที่ พกที่มานั่งข้างหน้าเแต่ยแสดว่าพวกที่นั่งข้างหลังในบันรุกันหมดเลยหรือพวกที่นั่งข้างหลังพระกลัวกลัวจะถูกถามอีกเลมีคนนั่งหลนาทั้งหมดอันนี้ก็คือขั้นของบ้าอราานตองละมานะ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 เอวิชาไม่รู้ว่าความสุขภายในจิตนี่ก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ก็คือเรื่องของมรรคสี่ผลสี่แล้วหลังจากนั้นยังมีอีกหนึ่งคือนิพพานมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งถึงจะครบสูตระผู้ที่จะได้นิพพานนี้ต้องเป็นผู้ที่ได้อลาตตะผลแล้วถึงจะได้รับรางวัลโบนัส <c oughs> ได้ยังไม่ได้ขั้นพระอรัตผลนี่ยังไม่ได้นิพพานยังต้องกลับมาเกิดใหม่อยู่พระสสดามันก็ต้องกลับมาเกิดเจชาติเป็นอย่างมากพระสกิดาคาเมก็หนึ่งชาติพระอนาคามีไม่กลับมาเกิดในกามะพคือไม่เกิดมาเกิดเป็นมนุษย์แต่ยังต้องไปเกิดในเป็นสวรรค์ชั้นพรมอยู่จนกว่าจะเข้าสู่ได้อรัตผลพอได้อรัตผลแล้วก็จะได้พระนิพพาน เข้าสู่พระนิพพานได้ก็จะไม่ต้องกลับมาเกิดแกเด่เจ็บตายอีกต่อไปท่านถึงเรียกว่ามรซีผลสี่นิพพานหนึ่งนี่คือเป้าหมายของการศึกษาของการปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาโดยจะพูดตามทางโลกก็คือปริญญาขั้นต่างๆของพระพุทธศาสนามีอยู่สี่ขั้นด้วยกันจะเรียกว่าขั้นอนุปริญญาแล้วก็ตีโทเอกไปก็ได้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 เปิดเปิดเปิดเปดท่านอาจารย์อธิบายถึงเรื่องปรญญาสี่ใบนี่นะฮะจําเป็นไหมคะว่าสึมุสลิชาติเนี้ยจะสําเร็จพระอรหันต์เราต้องได้หนึ่งมาจากชาติที่แล้วคือถ้าคือทำหนึ่งสองสาสี่ในชาติเดียวกันได้หรือ่าคะได้พระพุทธเจ้าว่าทำหนึ่งสองสามสีในชาตินี้พระลานทั้งหลายหลวงตากูบาจานี้ ต่้งก็หนึ่งสองสามสี่ในชาตินี้กันเท<ร>นั้นเเราก็มีความหวัก 7, 000, 7งก็เจ็ดก็เจ็ดวันเจ็ดเดือนก็เจ็ดปีนี่ไงก็ใครก็ตามถ้ามาเกิดแล้วไม่รู้จากกาักรายศัสตร์สี่ก็แสดงว่ายังไม่เคยไม่ได้บรรลุมาก่อนแต่ผู้ที่ รู้จักอริยสัจ ส, สีโดยที่ไม่ต้องได้ยินได้ฟังจากคําสอนของพระพุทธเจ้า ก, ก็แสดงว่าได้เป็นพระสวัสดิบาลแล้วอืม <c oughs> แต่ส่วนใหญ่ท่านก็บรรลุไปหมดแล้วเพราะว่าท่านอย่างมากก็เจ็ดชาติผู้ที่มาเกิดเช่นพระพุทธเจ้าไม่รู้จักพระอริยสัจ ส, สีตอนที่เป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะตอนที่เป็นสมนณะโกตมะนี่ไม่รู้จักอริยสัจสี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 ไม่สามารถระ ง, งับการมโลมได้อย่างนี้ก็ไม่ใช่สักแต่วรู้ถ้าสักแต่วรู้จริงจะเห็นแล้วจะเฉยหมดถึงจะเรียกว่าสักแต่วรู้จริงอันนั้นมัขั้นระดับปัญญาแต่ก่อนจะถึงขั้นปัญญาได้มันจะต้องมีสมาธิเป็นตัวหยุดใจให้สักแต่วรู้ให้ได้ก่อนถ้าผมเข้าใจไม่ผิดหมายควาว่าถ้าเราจะดูจิตได้จริงๆแปลว่าต้องมีต้องมีสมาธิตั้งมั่นก่อนเสมอหรือเปล่าครับ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 จินตาวิปัสใช้ใช้การคิดเอาสอนใจเราเองเนี่ยจะมีประโยชน์ในเรื่องการภาวนาไหมครับก็มันเป็นขั้นขั้นดำเนินการไงขั้นดำเนินการไปสู่การภาวนามยะยปัญญาการจะภาวนาปัญญาได้ต้องมีสมาธิก่อนถึงจะสามารถทำให้จิตสักแต่วรู้ได้จริงๆ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 วิสบูชาก็เครื่องสักการะเช่นดอกไม้ทูปเทียนปฏบิบัติบูชาก็นั่งสมาธิไหว้พระสวดมนต์อยู่ที่ข้างหน้าพระเนี่ยเรียกว่าปฏิบัติบูบชาการบูชาทั้ง ส, งสองชนิดนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าการบูชาด้วยการปฏิบัติบูบชานี้เป็นการบูชาที่แท้จริง คำ ถ, ถามข้อต่อไปถ้าพระแต่งเพลงและร้อง เ, งเพลงเพื่อสถาบันพุทธศาสนาจะถึงอริยะบุคคลไหมครับหมายถึงอนาคามีบุคคลไหมครับไม่รู้อย่างต่อบอยังไง <laughs> มันท่าน แ, <im> แต่งท่านแต่งแล้วมีการมารลมหรือเปล่ายันจะถึงอนาคามีได้นี้ต้องไม่มีการมารลมถ้าแต่งเพลง เหมือนกับเป็นการแต่งกรอนแ ต, แต่งบทสวดมนนี้ก็มันก็ทำให้ใจสงบได้มันขึ้นอยู่กับบทที่เราแต่งว่ามันสอบไปในการส่งเสริมการอารมณ์หรือดับการอารมณ์ถ้าแต่งว่าร่างกายของเรามีผมขนเล็บฟันมีอาการ32ไม่สวยไม่งานหน้าเปลี่ยนนะ้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 มันแล้วมันจะไม่อยากได้อะไรแนละ้วมีสามีมีภรรยาก็อยากจะยกให้คนอื่นนะ <c oughs> อยากจะไปขอบวชไปภาวนาอยู่คนเดียวเพราะที่อยู่นี่มันวุ่นวายหนอ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 ก็ไม่ควรจะสู้อะปล่อยมันไปตามบุญตามกรรมถึงเวลามันจะตายก็ปล่อยมันตายไปเพราะสู้มันก็บางทีมันก็อาจจะตายเหมือนกันอยู่ดีถ้าถึงเวลาจะต้องตายถ้าไม่สู้อาจจะไม่ตายก็ได้เพราะเขาไม่ต้องการจะฆ่าเราเขาต้องการข่ม ข, ข, ขืนเราเท่านั้นเองแล้วก็ต้องการทรัพย์ก็ยกให้เขาไปเขาได้สิ่งที่เขาต้องการแล้วเขาก็ไปที่ก็ต้องฆ่าเราก็าาอาจจะเพราะว่าต้องปิดปากเราเท่านั้นเอง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 คือต้องใช้ให้มีให้เวลามากกับการภาวนาถ้าเป็นนักบุญนี้ก็ จ, จะภาวนากันพอหอมปากหอมคอเวลาครึ่งชั่วโมงแต่ถ้าเป็นนักภาวนานี้จะต้องภาวนาเวลาสิบยี่สิบชั่วโมงโยกเว้นเวลาหลับเท่า น, นั้นถึงจะสามารถที่จะทําลายความเห็นแก่ตัวที่เกิดจากความหลงนี้ได้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 หรืสถานภาพในสังคมยังมีความมีความมีคุณค่ากว่าธรรมะก็จะไม่สามารถที่จะสละได้ธรรมะนี้ก็คือการหลุดพ้นจากความทุกข์ในทุกระดับนั่นแหละตั้งแต่ขั้นโสดาบันขึ้นไปถึงขั้นพระอรหันต์เนี่ยจะต้องสละสิ่งเหล่านี้ได้หมดสละทรัพย์ได้สละอาวัยวะได้สละชีวิตได้อย่างหลวงปู่ฝ้าหลวงปู่ขาวท่านเคยพูดไว้ว่านิพพานอยู่ฟางตาย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 แต่ท่านก็มีวิบากที่จะต้องถูกคนเข้าฆ่าตายท่านก็ไม่ใช้่ทิทฐิปฏิหารช่วยเพราะท่านบอกว่าหนีเขาไปวันนี้พรุ่งนี้เขาก็ตามมาต่อเขาจะไม่หยุดจนกว่าเขาจะทำตามที่เขาต้องการจะทำได้ดังนั้นผู้หญิงคนที่จะถูกข่มคืนถ้าเกิดเขาต่อสู้เขาวิ่งหนีได้ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ถูกขมคืนนี่ถ้ามันเป็นกรรมของเขาที่ต้องถูกขมคืนมันก็ต้องเจออีกอยู่ดี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 หมดแล้วนะเหมือนประชุมสภ า, านี่เพราะเขาปิดแล้วเขาไม่มีการอภิปรายแล้วนะนะอ่ายกมือขึ้นไปส่งไปข้างหลังยังไม่ฮัลโหลพูดใกล้ๆหน่อยฮัลโหลยังยังไม่ค่อยเข้าใจเรื่องแบบว่าข่มขืนนะคะคือ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 ไม่แปลว่าเราทาหมายถึงว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่แปลว่าเราเข้าใจหรอกคะ่ะถ้าเกิดว่าบอกว่าเออ่เราเขาจะมาข่มขืนเราก็แบบปล่อยให้เขาทำอย่างนี้คือหมายความว่าเออ่เราบรรลุและถ้าเกิดว่าสมมติว่าเขาต้องการจะ ข, ข่มขืนเราเราเราขัดขื น, ขนอ่ะไม่ใช่ถ้าเกิดว่าเราอ่า ไม่ต่อสู้แล้วถ้าเกิดเขาไปยังไปทำกับคนอื่นต่อไปอย่างนี้มันจะไม่เหมือนเราแบบว่าปล่อยให้เขายังทำต่อไปอย่างนี้เหรอคะก็เรื่องของเขาเขาจะทำต่อไปคุณไปห้ามเขาได้ไง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 แล้วถ้าอย่างแบบที่เป็นเด็กผู้หญิงอยู่ในบ้านแล้วโดนแมกระทั่งอันนั้นก็เป็นการมองเข้าไปอยู่กับใกล้คนบ้าการก็ช่วยไม่ได้ขอบคุณค่ ะ, อะขอถามพระอาจารย์นะครับคืออยากทราบว่าไอ ตัวอวิชชาที่เป็นต้นเหตุของการเวียนว่ายตายเกิดต่างๆเนี่ยจริงๆอวิชชานี่มันมาจากไหนแล้วมันมาได้อย่างไงอะครับตัวที่ไม่รู้ว่าความสุขความทุกข์ที่แท้จริงอยู่ตรงไหนตอนนี้คุณรู้เปล่าความสุขที่แท้จริงอยู่ตรงไหนไม่รู้คุณเลยไปหาความสุขปลอมความสุขปลอมที่มีความทุกข์ตามมาไปแต่างงานก็ต้องไปทุกข์กับภระระยาไ ป, ปไปมีลูกก็ต้องไปทุกข์กับลูกน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 ครับตอนนัได้ยินใช่ไหมครับ<ป>ขอาการถามเรื่องของการแผ่เมตตานะครับคื อ, อ, อท่องจํามาตั้งแต่เด็กว่าเวลาเราจะแผ่เมตตาเนี่ยเราจะบอกว่าสเปสัตตาเป็นบาลีแล้วก็แปลใช่ไหมครับ อ, อ, อแล้วจริงๆมีมีการแผ่เมตตาเป็นเป็นภาษาใจไหมครับว่าเราแผ่เมตตากันยังไงครับอฉะ น, นั้นตอนที่เราท่องบาลีนั้นเป็นการเรียนเป็นการสอนใจไม่ยังไม่ได้แผ่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 เราเปิดสื่อธรรมะที่เป็นบทแผยเมตตาอย่างเงี้ยครับแล้วเราเราไม่ได้อยู่แล้วเบิดบทบทสวดมนต์หรือว่าบทแผยเมตตาที่เปิดเปิดขึ้นมาจากสื่อเนี่ยอยากจะถามว่าความตั้งใจนั้นน่ะอยู่ไม่ได้แผ่ไม่ได้แผ่อันอันสวด น, นี้มันไม่ได้แผ่มันเป็นการเรียนเปงการสอนใจให้รู้จักวิธีแผ่วิธีแผ่จริงๆก็เนี่ยตอนเนี้ยเราด่าคนคนก็ไม่ว่าเราด่าไปเลยให้ให้ใหอภัยเงี้ยเรียกว่าแผยเมตตา ขอเกิเดยกตัวอย่างครับคือทุกๆวันผมจะ เ, เปิดบทสวดมนต์เมตตาอภัมภิยาครับนั่นแหละมันเป็นมันไม่ได้แพ่คุณต้องมีคนรับเสียมันถึงจะแผ่คุณไปแพ่คนเดียวไม่ไปแผ่ก้อนหินนี้ไ ป, ไปแผ่กับฟ้าผนังมันจะมีใครมารับเหรอะถ้าอย่างนั้นก็เท่ากับไม่เกิดประโยชน์ในการเกิดไม่เกิ ด, ดไม่เกิดประโยชเพียงแต่สอนให้คุณเตรียมทําการบ้านไว้เหมือนนักมวยซ้อมชกไว้ก่อนเวลาเจอคู่ต่อสู้จะได้ชกได้ เวลาเจอใครเขาโกรธก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรให้อภัยกัน เ, เวลาใครปาดหน้าก็ยิ้มอภัยก่อนก็ได้เพราะนั่นแหละแผนเมตตาไม่ใช่พอใครปาดหน้าก็เหยียบชนมันเลยเอขอกราบพระอาจารย์ยกตัวอย่างตอนที่พระพุทธเจ้าโปรดช้างหน้าราคีรีครับว่าท่านแผ่เมตตายังไงหรอครับท่านก็ยิ้มเพื่อช้างเลยท่านก็ยิ้มให้ช้างทักมาว่าเป็นไงสบายดีเหรอ ทางมันก็หยุดครับขอบพระคุณมากครับชาวพูดเหล่านี้เข้าใจผิดคิดว่าเวลานั่งสวดมนต์แล้วก็แผ่เมตตาในแผ่เมตตาจริงๆไม่ได้แผ่หรอกไม่มีคนรับพวกไกาทิพย์เราก็ไม่รู้มีหรือเปล่าไปแผ่เขาทำไมเขาไม่มีปัญหาอะไรกับเราเราต้องแผ่กับคนที่อยู่กับเราคนที่เราสัมผ э ัส ที่จะต้องพบปะกันอันนี้ต่างหาเป็นเป็นเป็นบุคคลที่เราควรจะแผ่ก็อย่าไปมีเรื่องมีราวกับใคร น, นี่ก็เรียกว่าการแผ่เมตตาให้อภยัยช่วยเหลือกันแบ่งปันกันให้ความสุขต่อกันอันนี้เรียกเรียกว่าแผ่เมตตาอย่างที่เราทํากันปีใหม่แล้วก็สอคสอใช่ไหมสออคสอส่งความสุขอันนี้ก็เรียกว่าแผ่เมตตาซื้อวันเกิดก็ซื้อของขวัญให้กัน หรือไม่เป็นันเกิดไปเที่ยวไปไปเที่ยวที่ไหนกลับมาบ้านก็นมีของมาฝากกันอันนี้ก็แผ่เมตตาแล้วรอานแบบน่มีแบบบทสวแล้วก็บทแผ่เมตตาพอเราอ่านเราก็คิดว่าเราอายาเไม่ใช่เรถึงบอกไม่ใช่ไงเันเป็นการเรียนเรียนรู้วิธีแผ่เมตตามันถึงไม่ได้แผ่กันเวลาเจอกันก็ยากเคี้ยวใส่กันนะ ด่ากันตีกันว่ากันเนี่ยอจนจนแบ่งเป็นเป็นเป็นสีกันไปเนี่ยเนี่ยแสดงว่าไม่มีเมตตาเลยทั้งทั้งที่สวดบนตกันทุกคนสวดกันทั้งสองสีสีแดงก็สว ด, สว ด, สวดพอเจอกันก็ยากเคี้ยวใส่กันนะเอร า, า, าปรับความเข้าใจนะการสวดมนต์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 เพราะความสุขความจเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ banks, ่งยิ่งขึ้นไปเถิดแล้วเป็นแค่พอดีเอ่อระวิงไว้ว่าไม่กล่าวถึงตอนนี้คือมีพระองค์หนึ่งไม่กล่าวว่าเวลาเราใส่บาทเนี่ย จรลวเราก็ฟังๆๆ ม, มาทั้งหูงตาทั้งท่านพจ้าั่นเลยอะไรเงี้ยนะคะทั้ง โ, โหรยาใส่บาตเราก็ต้องถอดรองเท้าแต่ว่าบางองค์ท่านไม่กล่าว่าไม่ต้องถอดเพรไม่มีบัญญัติไว้เลยก็แต่ะด็กอันนี้เป็นเรื่องของความขรบโบราณเขาถือว่าการใส่รองเท้ามันยืนสูงกัพระพระท่านไม่ได้ส่รเทา่านั้นเองก็มีแค่ทานที่ท่านให้ทานี่อยากให้ทาด้วยความเคารพ ทําด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนถ้าไม่เคยขอทางพระเป็นพระอริยามาตร์มาให้ได้บุญได้สุขสนถ้าให้ขอทางก็ไม่เป็นปัญหาใส่ร อ, องเท้าก็ได้คนที่ใส่รองเท้าเนี่ยแล้วก็เหมือนกับคนให้ขอทางแต่ถ้าเราให้พระนี่เรารู้ว่าท่านเป็นพระท่านสูงกว่าเราแล้วเรายังจะทําตัวสูงกว่าท่านไปทําไมนอกจากเราไม่รู้ก็ไปอ่ะ ถ้าเรารู้แล้วหลงตาท่านเคพูดเคเป็นบทบาทตามท่านท่านหลังคนใส่รองเท้าท่านบอกว่าอะไรนะเท้าสกเท้าเท้าสกปรกมันล่างได้แต่ใจสกปรกมันล้างยากหตาท่านพูดชัดเจนใจมันสกปรกใจมันยังมีอตาตัวต่ การเข้าหาศาสนานี้เพื่อการมาล่าศาสตตัวตนไม่ใช่มาสร้างตัวตนมาถึงเนื้อถือตัวอาจารจท่านจะอธิบายตรงนี้ชัดไมอา่นมาแต่รางทีก็เห็นคาใส่แต่เราก็ไม่พูดว่าที่เจเพราะมคนหูหนวกตาบอดแต่เป็นกรรมขอเขาไ่ายเข้าไปแต่เป็นกรรมไหมครับท่านอจก็เขาก็จะไม่ได้บุญส่วนนั้นไป ทานที่เขาให้เขาก็ได้เลยแต่เขาไม่มีการละอัตตาตัวตนหรือเขาไม่ไม่รู้การลเทสะไม่รู้ว่าควรไม่ควรอย่างไรตแต่จาได้สงตาเล่าพูดชัดเจนว่าตี น, น, น, ต, ต, นตีนเพื่อนร่างไดนะ้แต่ใจเพื่อนนี่ร่างไม่ได้ร่า ง, ง, างยาก เคยเห็นนะคนใส่แล้วท่านไม่รับเลยครับใช่เราเคยเจอผู้หญิงตอนนั้นอยู่ที่วัดบอ่อในพักชั่วคาวแล้วออกมาเดินสบาย <c oughs> มีผู้หญิงคนหนึง่งเขาตอนเชา้าเขาจะไปทํางานแต่เขาจะใส่บาตร <c oughs> เขาใส่รองเท้าแต่เขาถอดรองเท้าออกแล้วก็มีผ้ามาเ <c oughs> วลาใส่บาตรเสร็จแล้วเขาก็เช็ดเท้าแล้วก็ใส่รองเท้ากลับอือันนี้ก็ประทับใจให้สะอาดเลย คนธรรมดาถ้าแต่งตัวใส่รองเท้าเขาจะไม่ไมไมเขาจะไม่ถอดละเขาจะถุงเท้าเปื้อนอยู่ซึ่งทางศาสนาท่านก็อนุโลมถ้าเป็นพระราชามาหากษักตริย์เวลาในหลวงเสด็จมาที่วัดยา น, นี่มาถวายผ้ากระถี่นท่านไม่ถอดรองเท้าท่านเดินเข้าไปในโบสถ์ใส่รองเท้าเพราะถือว่าเป็นส่วนฉลองพระ อ, องค์ของท่านเป็นเครื่องแบบเป็นเครื่องแบบของท่า น, นที่ท่านได้ใส่ ถ้าไปถอดแล้วมันจะคห้าวะไม่เหมาะสมทางาบลวกท่านันัอันนั้นอีกเรื่องอันนั้นอีกเรื่องนั่นเรื่องของสต้ง่มีนอันนี้นไปางทเขาลอเอันนั้นท่านไปฐานะคนธรรมดาไปหาครูบาอาจารย์ท่านจะถอดแา่ที่ท่านไปงานต่างๆท่ท่านไปในฐานะน่งของประเทศางกมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นทางศาสนาเราก็เห็นความสาคัญของพระเจ้าแผ่นดมา ก็มีข้ออนุโลมได้หลายข อ, อย่างเวลาพระสวดปฏิโมกข์อย่างนี้ถ้าเกิดในหลวงจะเสด็จทันควันโดยที่ไม่ได้รู้ลุ่ลงง่ามาก่อนี่ห้บอกให้หยุดก่อนให้ในหลวงเข้าเใจก่อนรับเสด็จก่อนไม่ใช่ ใ, หในหลวงมานแนมรอให้พระสวดให้เสร็จแล้วค่อยค่อยรับเสด็จเพราะว่าการที่ทําให้พระเจ้าแผ่นดินไม่สบายใจนี้มันไม่ดีกับศาสนาะ ใ่มนักศก็ต้องเอาใจคนผู้หลักผู้ใหญ่อาใจไม่แต่ต้องมีอยู่ในกรอดพอสวยพองามคนไม่ได้ศึกษาก็จะไม่ไม่รู้ต้องศึกษาต้องได้อยู่กับครูบาอาจารย์เพ่ได้เห็น วิธีการปฏิบัติกับเชิต่างๆของท่านท่านได้เรียนรู้มาจากครูบาอาจารย์อีกทอดหนึ่งแล้วก็ถ่ายทอดจะเห็นในต้องใจน้ององค์องค์ที่ที่ไม่ได้นั่งเข้าใจถึงคอยู่กับครูบาอาจารย์เข้าใจม่น้องก็ไม่ได้ไม่ได้ทาตามไม่ได้ทําจาเไม่ได้เ่ได้การกวื ก็ฟังแบบทับทีในหม้อกแกงฟังแล้วไม่เอามาใสา่ใจไม่เอามาพิจารณาไม่เข้าใจความหมายที่ท่านสอนว่ามีความหมายอย่างไรมีเหตุมีผลอย่างไรฟังในเอ็มพีสามนี่ว่าสองวันที่ซาบซึ้งใจมากเลยก็คือวันที่หลวงปู่ชอบท่านก็อายุเยอะแล้วท่านไปเยี่ยมหลวงปู่หลุยี่ตัว น, นั้นหลวงปู่หลุอายุเจ ในในเอ็มพีสาวบอกว่าหลวงตูหลือท่านคุกข่าวลงแรงล้างท่าหลวงตูชอบด้วยถ้าถนัดท่า น, นอายุจะสิบสี่รู้สึกว่าใจมันไม่มีาอายุเหมือนกับร่างกายใจมันก็ยังเป็นเหมือนภาพวนว่ายขึ้นเขารวบกันขนาดนี้นะคนที่กคยมีอาวุโสป่าก็ยังเป็นอาวุโสป่าอย่อไม่ใช่เรามีอายุมากแล้วท่านอายุน้อยลงแคไหนท่านอายุได้เดลย เหมือตอนที่เราออกมาจากช่องแม่เราก็ยังตอนนี้เรากับแม่ก็ยังเป็นเหมือนเดิมแล้วก็ยังเป็นเหมือนทานลอกเป็นลูกของแม่อยู่นั่นอยัางในหลวงเวลาปฏิบัติกับ <Yeah. S 1> สำเร็จญาณ <Yeah. S 1> ท, ท่านก็แต่ถ้าในกรณีส่วนพระ อ, องค์ท่านก็ปฏิบัติเหมือนแม่กับลูกปฏิบัติกันลูกกับแม่ปฏิบัติกันไม่ได้ว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินกับแม่ต้องรู้จักการรักเทศะรู้รู้ตนรู้บุคคลรู้สถานภาพของตน มาตอนนี้อยู่ในสถานภาพใดคนที่จะปฏิบัติกับให้กับสถานภาพนั้นให้ถูกต้องได้อย่างไรก็อย่างที่พระอาหันตท่านทำเราประชุมกันท่านก็ต้องรู้ว่าท่านอยู่ในสถานภาพไหนถ้าอยู่ในสมมติก็ต้องว่ากันไปตามลำดับทรรชาถ้าอยู่ในระดับวิมุติก็ไม่เป็นมีปัญหาใครมาก่อนมาหลังก็นั่งตามอัิยาสายไปกิ ที่สลายใหญ่เวลาที่นั่งสงท่านที่วัดนี้ก็ไม่ได้นั่งตามคือก็าตั้งตามแถวเพราะแถวแต่ละแถวก็ต้องมันตามพรรษาอยู่เวลาไม่มีหลายแถวมันก็เลยไม่รู้จะไปจัดเรียงยังไงก็แถวแต่ละแถวเป็นเป็นเกณฑ์ไปแต่ละแถวก็จะมีลำดับพรรษาของเขาไปก็ไม่เสียหายอะไรคือไม่ได้ผูกติดกันแถวหน้าก็เรียงกันไปแถวหลังก็เรียงกันไปแต่ใช่ รูปแบบมันเข้าไม่ได้วางแบบให้มันเรียงเป็นแถวเดียวเขาก็เลยต้องวางเป็นสองแถวเป็นขนาดกันไปก็กกทางเวลากิจนิมนต์ของพระนี่ก็มีสองแบบถ้านิมนต์ไปในเป็นทางการพิธีเป็นนอช ก, กพิธีก็ต้องมีพัยดยศก็ต้องว่ากันไปตามขั้น ทท่านตีท่านทาท่านลาดท่านอะไรไปถึงแม้ว่าจะพรรษาจะน้อยกว่าแต่ถ้ายึดเป็นหลักก็ทต้องยึดเป็นหลักแต่ถ้าไปแบบเป็นเป็นของบ้านของชาวบ้านนี่ก็ตามแบบของพรรษาแตก็เ็ยเห็นแบบคนเขาจัดแล้วสลับที่กันเน่ยแต่อาจารย์ที่อาุปโสกว่าท่านก็ท่านก็บอกว่าเอไม่เป็นไรคือท่านปล่อยท่านไม่ได้ยึดเนี่ยท่านเออไม่เป็นไรนี่ก็ไม่สัตว์สิทธิ์แล้วอะไรเงี้ย มันก็เป็นขนมรำเนียมบัคเคนีที่ดีใหที่ดีเพื่อป้องกันให้พี่เล่ตันหาของแต่ละคนที่ชอบมักใหญ่ไปสูงมันจะได้มีอะไรคอยคอยย้ำๆคอยเบรคๆไว้บ้าง้วเดี๋ยวมันจะไปย่างนั่งกันให้หัวแถวก่นเดี๋ยวมันจะพองานพองานจัดพอเข้านิมนต์ถึงเวลางานแล้วไปจะไปก่อนสักครึ่งชั่วโมงเลยหัวแถวเลยเดี๋ยวมีการแซงคิวันนี้ 你们就办。<laughs> <laughs> <laughs>